ยอมทํางานประกันภัยประกันชีวิตชใช่ไอมแล้วประกันได้จริ ง, งๆวะประไม่ได้ภัยก็ประกันไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเกิดก็ต้องเกิดใช่ไหมในแต่ละการชดใช้ค่าเสียหายาที่เกิดจากการสูญเสียชีวิตเกิดจากการสูญเสียทรัพย์สิน แต่พระพุทธศาสนานี้มีขายประกันภัยประกันชีวิตเหมือกันเนี่ยที่โยมมานี่ก็มาซื้อประกันภัยกับซื้อประกันชีวิตประกันภัยก็ภัยของจิตใจภัยของจิตใจก็คือการที่จะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดลฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรก พุทธศาสนามีประกันขายให้ซื้อประกันของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้ารับรองว่าไม่ไปไม่ต้องไปเกิดในอบายซีเลนัสุกติยันติภาษาบาลีเท่าผู้ที่มีศีลย่อมไปสู่สุขติสุขติก็คือภพที่ไม่ใช่เป็นอบายสุขติคือภพของมนุษย์ของเทวดา ของพระอริยเจ้าทั้งหลายต้องมีศีลศีลนี้จะป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายถ้าโยมมารักษาศีลห้าได้ตายไปพระพุทธเจ้ารับประกันให้ว่าไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์อะไรต่างๆไม่ต้องไปตกนรก ไม่ต้องไปเป็นเปรตที่จะต้องมาคอยรอนรับส่วนบุญของญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้ารับประกันถ้ารักษาศีลห้าได้จะไม่ต้องไปเกิดในอบ า, ายส่วนประกันชีวิตนี่ก็อันนี้ท่านก็ประกันว่าวิธีประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาก็คื อ, อมิจฉาเมื่อเกิด ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายไม่มีใครประกันชีวิตได้ถ้าเกิดแล้วแต่ถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะไม่มีร่างกายเพระพุทธเจ้าท่านซื้อประกันชีวิตท่านเลยไม่กลับมาเกิดท่านไปอยู่ที่นิพพาน นิพานก็คือที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละประกันชีวิตที่แท้จริงประกันภัยที่แท้จริงต้องประกันด้วยบริษัทพุทธศาสนาต้องมาซื้อจากพุทธศาสนาอาตมาเป็นเซลแมนตอนนี้ยมมาจ่ายเบี้ยประกันกันยัง ทำบุญเนี่ยเป็นการจ่ายเบีย้ยประกันคนทำบุญจะไม่ทำบาปก็จะคนทำบุญนี่จะเป็นคนมีเมตตามีความคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะไม่ชอบที่จะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเวลาทําอะไรก็จะกคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นถ้าทําให้ผู้อื่นเสียหายก็จะไม่ทําดีกว่า นี่คือนี่คือการจ่ายเบี้ยประกันนะเวลาเราทำบุญนี้จะทำให้จิตใจเรามีความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสงสารต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเราจะทำอะไรเราก็จะไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเสียหาย เราขายประกันแต่เราไม่ขายด้วยการฆ่าเขาไม่ขายด้วยการโกงเขาไม่ขายด้วยการหลอกลวงเขาอันนี้เพราะว่าเราต้องการให้เขามีความสุขจากการกระทำของเราเราขายขายประกันเพื่อให้เขามีความสบายใจอบอุ่นใจเวลาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาเขาจะได้มีผู้มา ชดเชยความเสียหายให้แต่จยขายแล้วพอถึงเวลาเขาจะมาเบิกก็วบอกไม่มีให้เขาไม่ได้นะยเขาจ่ายเบี้ยรประกันได้ครบทุกอย่างพอถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเสียชีวิตเราบอกว่าไม่มีเงินจ่ายเขาไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการาทำบาปาถ้าทำบาปแม้แต่เพียง โกงกันก็ต้องไปไปเกิดในบาบานี่มีที่ไปอยู่ตามความหนักเบาของบาปที่ทำค่านี่บาปหนะักไปนรกเนถ้าทำอย่างอื่นก็ไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้าง แต่ถ้าเราไม่ทําบาปเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมาเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายัยถ้าไม่ได้ทําบุญทําทําแต่ทําแต่ลักแต่าแต่ศีลไม่ทําบาปตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์เลยเพราะสถานภาพของมนุษย์ก็คือ เป็นผู้ที่ไม่ทำบาปนะแต่ไม่ได้ทำบุญแต่ถ้าได้ทาไม่ได้ทำบาปและได้ทำบุญด้วยก็จะเป็นสถานภาพของเทวดาแล้วถ้ามาถ้านั่งสมาธิได้นุ่งขาวห่มขาวได้ก็ไปเป็นพรหมตะวันชั้นพรหมพรหมนี่เขาไม่เสด็รูปเสียงกลิ่นรดเหมือนเทวดา เวดายังชอบรูปสวยๆเสียงงามๆแต่พวกพรหมนี่เขาเสพความสงบเขาไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเขาหาความสุขทางใจคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็เป็นความสุขที่สูงกว่าที่ดีกว่าความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย แล้วถ้าอยากจะไม่ต้องกลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาจะต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราลหลงไหลรักชอบกันนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไป เวลาเสียไปก็ร้องหหมร้องไห้กันแต่เวลาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดเพราะไม่เขากับเราก็ไม่ช้ากัเร็วก็ต้องมีวันพัดผ่าจากกันเพราะร่างกายของคนเราทุกคนก็เป็นของไม่เที่ยงมีวันแก่วันเจ็บวันตายถ้าเราไปมีความสุขกับคนน้นคนนี้ เ ว, เวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้หรือถ้าไม่ใช่คนก็สิ่งของต่างๆก็เหมือนกันเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงเก็บนถเนกก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็มีวันที่จะต้องหมดไปได้ลาบมาก็ต้องเสียลาบไปไม่ช้าก็เร็ว ก็เราก็ต้องใช้อยู่เรื่อยๆได้เงินทองมาแล้วก็เอาไปใช้กันใช้กันถ้าเราใช้มากกว่าหามาได้เดี๋ยวมันก็หมดพอหมดแล้วสุขหรือทุกข์เวลาเงินหมดเวลาเงินไม่พอใช้มันก็กลายเป็นความทุกข์ไปถ้าเงินพอใช้ก็เป็นความสุขยศคือตาแหน่งต่างๆก็มีการขึ้นมีการลง ทำงานเขาก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆแต่บางทีทําผิดพลาดเขาก็อาจาจะย้ายโยกย้ายปลดจากตำแหน่งนั้นไปเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งอื่นหรือเมื่อทำงานคที่จะต้องออกจากงานก็ตำแหน่งก็ต้องหมดไปเคยเป็นหัวหน้าเคยเป็นผู้จัดการพอไม่ได้ทำงานกับบริษัทแล้วก็ ตำแหน่งนั้นก็กลายเป็นของคนอื่นไปอันนี้มันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวแต่เรามักจะคิดว่ามันเที่ยงพอเราได้อะไรมาแล้วเรามักจะคิดว่ามันจะเป็นของเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกัน แต่ร่างกายนี้ที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ต้องมอบให้กับสัพเพเหรอไปเวลาร่างกายนี้ตายไปไม่มีใครเขาจะเก็บไว้พ่อแม่ก็ไม่เอาสามีภรรยาก็ไม่เอาบุ ธ, ธกยกให้สัพเพเหรอเพื่อที่จะได้ไป ทำชาปน ก, กิจไปกาจัดเพราะปล่อยทิ้งไว้ร่างกายมันก็จะเน่าผุพังส่งกลิ่นเหม็นอันนี้คือวิปัสสนาคือมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ถ้าอยากให้มันเที่ยมก็จะทำให้ใจเราทุกข์อยากให้มันเป็นของเราไปตลอดก็จะทำให้ใจเราทุกข์ พอเวลาที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปพอเริ่มขาวหน่อยก็ทุกข์แล้วพอหนังเริ่มเหี่ยวหน่อยพอตีนกาเริ่มโผล่มาก็เริ่มทุกข์กันแล้วอันนี้เป็นวิปัสสนาคือเห็นความจริงของโลกโลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าอนิจจ์อนัตตาอนิจจงก็คือ ไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการขึ้นมีการลงแต่เรามักอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวมาหาพระที่ใดก็ให้พระให้พรขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะปะระแต่การสวดการให้พรของพระก็เป็นเพียงลมปากแค่นั้นแหละมันไม่เป็นไปตามที่ท่านสวดหรอก เพราะของที่มันจะเสื่อมแม้แต่พระเองก็ยังห้ามไม่ได้ตัวพระเองยังห้ามไม่ได้ตัวพระก็ต้องเสื่อมพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <c oughs> แต่เป็นการให้ความปรารถนาดีต่อกันเท่านั้นเองดีกว่าสาปแช่งของให้ตายเร็วเร็ว <c oughs> แต่จะสาบแช่งหรือจะให้พรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงต่อให้สาบยังไงถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันก็ไม่ตายหรอกต่อให้ให้พรยังไงถ้ามันไม่ถึงเวลาจะได้มันก็ไม่ได้หรอกการสาบแช่งหรือการให้พรของคนนี้มันไม่มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราจเจริญหรือเสื่อมเหตุที่จะทำให้เราจเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่การกระทาของเราส่วนหนึ่ง เอกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ธรรมชาติธรรมชาติถึงเวลามันจะเจริญก็เจริญเจริร่างกายเวลาคอดออกมาใหม่ๆนี้มันมีแต่จะเจริญอย่างเดียวมันไม่เสือ่อมจากเด็กทารกก็ขึ้นมาเป็นเด็ ก, กน่ารักแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆอธรรมชาติมันมีส่วนที่เจริญ แต่พอมันจเจริญเต็มที่พอวัวสี่สิบขึ้นไปห้าสิบขึ้นไปเนี่ยเริ่มเสื่อมละ <Yeah. S 1> เริ่มน้ำถอยหลังละหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยมันก็เสื่อมไปเรื่อย <Yeah. S 1> ใครจะมาห้ามให้มันเสื่อมก็ห้ามไม่ได้ <Yeah. S 1> อันนี้เรื่องของธรรมชาติ <Yeah. S 1> แต่เรื่องของการจเจริญในหน้าที่การงานนี้ก็อยู่ในที่อยู่การกระทําของเรา ถ้าเราทํางานดีมีผลงานดีมันก็จะเลื่อเราก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ ง, งได้เลื่อนเงินเดือนเพราะมีผลงานดีแต่ถ้าอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ออกผลงานไม่ดีก็อาจจะถูกลดเงินเดือนอถูกจะเลื่อนตําแหน่งลงมาก็ได้เอาคนที่เขาเก่งกว่าขึ้นไป อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้โลกของโลกธรรมแปดคือลาบยศสารเสริญสุขนี่มันมีการขึ้นมีการเจริญลาบแล้วก็มีการเสรื่อมลาบมีการเจริญยศแล้วก็มีการเสรื่อมยศนมีสารเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกเนี่ยท่านถึงบอกให้เรามองให้เห็นทุกันแต่ เรามักจะมองไม่เห็นทุกเรามักจะมองเห็นสุขเห็นสุขในสิ่งต่างๆเพราะตอนที่เราได้มามันเป็นสุขกันเนี่ยอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วเราก็มีความสุขกันแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งสิ่งที่เราได้มาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้จากของดีกลายเป็นของไม่ดีเจนของใช้ต่างๆซื้อมาใหม่ๆก็ใช้ดี ใช้ไปสักพักนึงเดี๋ยวเริ่มรวนละซื้อรถมาใหม่ๆก็ขับดีขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เริ่มเสียเสียตรงนั้นเสียตรงนี้อนี่คือสิ่งต่างๆมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ยกเว้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงทําให้เราปวดหัวกันะเดี๋ยวต้องซ่อมอีกแล้วเดี๋ยวต้องเอาเข้าอู่อีกแล้วมันดีไม่ดีเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวถูกขมโมยไปะ ลืมบางทีก็เผลอไปวางไว้ที่ไหนวางของลืมไว้ที่ไหนแล้วก็จาไม่ได้หาไม่เจออันนี้ก็เป็นความเสื่อมเหมือนกันนี่คือแล้วพอเป็นเสื่อมแล้วใจเราเป็นไงสุขไม่ทุกขใจเราก็ทุกข์กันเสียใจกันเสียดายกันแต่เราก็ไม่เข็ดเราก็หากันใหม่หามันไปเรื่อยๆแล้วก็มาทุกข์กันใหม่ ร่างกายนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องตายไปก็ไม่เถ็ดเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่แต่คนที่เห็นว่าร่างกายนี้และสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นมันเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าไม่กลับมาเกิดดีกว่าวิธีจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องเลิกใช้ร่างกายตอนนี้เราใช้ร่างกายพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกัน เราต้องมีตาเพื่อจะได้เห็นรูปได้ดูรูปมีหูจะได้ฟังเสียงเพราะเราเร า, เรายัางอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยูอ่อยากไปดูละครดูหนัง อ, อยากจะฟังเพลงอยากจะไปกินเลี้ยงไปรับประทานอาหารถูกรดถูกถูกบากถูกใจก็ต้องมีร่างกาย อ, อยากจะ มีความสุขกับร่วมการร่วมหลับนอนกับแฟนก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถทำหาความสุขเหล่านี้ได้เราก็เลยต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยเพราะเวลาร่างกายตายไปความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายมันอยู่กับใจที่ไม่ตายใจเหล่านี้เป็นผู้สั่งร่างกายให้ไปหาความสุขต่างๆมาให้ ใจเป็นผู้เสดพอใจนี่มีร่างกายใจก็เลยต้องไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก่อนก่อนที่จะมาเกิดถ้าไปทำบาปไว้ก็ต้องไปใช้บาปก่อนไปเกิดในอบายก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกก่อนเพราะไม่ซื้อประกัน ไม่ซื้อไม่รักษาศีลห้าถ้าซื้อประกันไว้รักษาศีลห้าไว้ให้ดีรับรองได้ตายไปไม่ไปเกิดในอบายถ้าถ้าอยากจะไปเที่ยวในสวรรค์ก็ต้องทำบุญถ้าถ้าไม่ทำบาอย่างเดียวตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ซึ่งเหมือนกับการที่เราไปท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ดีกว่า เพราะเป็นเป็นสวรรค์นี้มีของที่วิจิตรพิสดารกว่า <Yeah. S 1> กาของที่มีอยู่ในโลกนี้ <Yeah. S 1> ถ้าตายไปแล้วอยากจะไปเที่ยวก่อน <Yeah. S 1> ก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <Yeah. S 1> ก็ต้องทําบุญด้วย <Yeah. S 1> ทําบุญนรักษาศีล <Yeah. S 1> ตายไปก็จะได้ไปเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆ <Yeah. S 1> ถ้าธรร ม, มาก็ได้สวรรค์ชั้นสูง <Yeah. S 1> เหมือนกับไปพักโรงแรมที่มีดาวต่างๆ ถ้ามีเงินมากก็พักโรงแรมดาวห้าดาวได้ถ้ามีเงินน้อยก็พักดาวเดียวบริการก็ไม่เหมือนกันสวรรค์ก็เป็นแบบนั้นถ้าทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงถ้าทำบุญน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่าแต่ก็ยังดียังเป็นสวรรค์ยังได้เที่ยวพวกที่มีเงินน้อยอย่างพวกที่เขาแบกเป้เขาก็ยั ง, ย, งยังอยากเที่ยวเลย ถึงแม้ว่าจะไปพักตามเกทเฮาส์ก็ยังดีก็ยังได้เที่ยวนะแต่ไม่เหมือนกับพวกที่เขาพักตามโรงแรมฮิวตันเนี่ยเขาอยู่โรงแรมห้าดาวอาหารการกินที่เนอะที่หลับที่นอนนี่มันสบายกว่ากว่าพักตามเกทเฮาส์แต่เขาก็ยังได้เที่ยวยังไม่ได้เที่ยววัดพระแก้วเหมือนกันตัดสินใจว่าไปพักผ่อนหลับนอน เวลาไปกินอาหารนี่อยู่คนละที่กันเพราะมีเงินไม่เท่ากันพวกที่มีเงินน้อยก็ต้องแบกเป้สบายเป้ไปอยู่ตามเเท้าแต่พวกที่เขามีเงินเยอะเขาก็เขาก็พักโรงแรมห้าดาวกันขึ้นเครื่องก็ชั้นหนึ่งนั่งชั้นหนึ่งกันสบายกว่านี่คือสวรรค์ระดับต่าง เงินทยอมอยากจะได้บริการดีก็พยายามทาบุญเยอะๆตายไปแล้วจะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นห้าดาวกันแล้วนอกจากนั้นเวลากลับมาเงินที่โยมทาบุญไว้ก็เป็นเหมือนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาชาติหน้าก็เบิกได้กลับมาก็จะเป็นลูกคนรวยไม่จะมาเกิดเป็นลูกคนจนกดปั๊บก็มีเงินรอเราอยู่แล้ว เงินที่เราบุญที่เราทำเนี่ย เ, เป็นเป็นเงินเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารถ้าเราไม่ได้ทําบุญกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะไม่มีเงินรอเราอยู่เช่นชาตินี้เป็นอย่างไรชาติหน้าก็จะเป็นอย่างนั้นถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์คราวหน้าถ้าไม่เคยทําบุญเลยเรามีสถานภาพอย่างไรในชาตินี้ชาติหน้ามันก็จะเหมือนเดิม แต่ถ้าเรามีได้ทำบุญไว้เรากลับมาชาติหน้าสถานภาพจะดีกว่ารูปล่างหน้าตาจะสวยกว่าเก่าผิวพรรณ่องใสกว่าเก่าเงินทองทรัพย์สินมากกว่าเก่ามีสุขภาพที่ดีกว่าเก่าอายุยืนยาวนานกว่าเก่าอันนี้เป็นอนิสงส์ของการทำบุญตรงกันข้ามถ้าทำบาปกลับมาแล้วจะแย่กว่าเก่า แย่กว่าตอนที่เราเป็นตอนนี้สถานภาพการเงินการทองก็จะแย่กว่าเกา่ารูปร่างหน้าตาก็จะแย่กว่าเกา่าอายุก็จะสั้นกว่าเกา่าสุขภาพก็จะเรวกว่าเกา่ามีโรคภัยเบียเดเบียนอยู่เรื่อยๆอาการก็อาจจะไม่ครบสามสิบสองนี่เป็นเป็นอนิสง์ของบาปที่หลังจากที่เราไปใช้ ใายบายแล้วยังมีติดกลับมาครับตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราจึงไม่เหมือนกันใช่ไหมทำไมเกิดมาทำไมถึงไม่เหมือนกันทำไมสูงสูงต่ำงๆไม่เท่ากันก็เพราะอำนาจบุญบาป ท, ที่เราทำกันในชาติก่อนเนี่ยทำให้เรากลับมาเกิดมีสถานภาพไม่เท่ากันมีความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันมีความเก่งความอะไรไม่เท่ากัน นี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมทำอะไรไว้แล้วก็จะต้องได้รับผลดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเร า, เ อ, าอย่าทำบาปกันให้ทำบุญถ้าทำได้ถ้ามีเงินมีทองมีอะไรพอจะทำบุญได้ทำไปให้คิดว่าเป็นการเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารไม่สู์เปล่าตายไปก็เอาไปไม่ได้มีเงินทองเป็นล้านเป็น ร้อยล้านตายไปเอาไม่เอาไปไม่ได้เลยแต่ถ้าไปทำบุญนี้ยเอาบุญไปได้บุญพาเราไปเที่ยวในสวรรค์แล้วเงินที่เราทำบุญก็เป็นเงินที่ฝากไว้ในธนาคารในโลกนี้เดี๋ยวชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะได้เงินทองได้เกิดเป็นลูกของคนรวยคนมีฐานะนี่คือเรื่องของการซื้อประกันประกันภยัย ส่วนประการชีวิตก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นถึงจะไม่ตายถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายถ้าไม่อยากจะตายก็ต้องอยากเกิดการจะไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยากไปเที่ยวยังอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินไปดื่มเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากมันไม่หมดไปเที่ยวกลับมาความอยากก็ยังมีอยู่ เดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวใหม่อีกเที่ยวหนเดียวมัมนตองมีจบไยมมีพอหัหยไม่พอหรอกเที่ยวกี่ครั้งก็ไม่พอทเที่ยวจนกว่าจะเที่ยวไม่ไหวนะนะั่นแหละคือไม่มีเงินเที่ยวหรือว่าร่างกายมันแก่สังขารมันไปไม่ไหวถ้ามันไม่ไหวมันก็อยู่กับบ้านทีนี้ก็อยู่แบบซึมเศร้าแล้วอยู่บ้านเหงาเศร้าซ้อยงอหเหงาว้าเวคนอื่นเขาไปข้างนอกกันได้เราแก่เรา ไม่มีเลี้ยงไม่มีแรงก็ต้องอยู่ในบ้านคนบางคนเวลาแก่แล้วก็อยากจะคิดข้าตัวตายกัน mm hmm. เพราะไม่สามารถหาความสุขจากทางร่างกายได้แต่คนแก่ที่เคยเข้าวัดที่ชอบเข้าวัดเขาอยู่ได้เพราะเขามีความสุขอีกแบบหนึง่ง mm hmm. ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่เกิดจากการมาฝึกจิตทำใจให้สงบ อันนี้แหละถ้าเราอยากจะเลิกความอยากทางร่างกายความสุขทางร่างกายเราก็ต้องมาหาความสุขอย่างใหม่มาทดแท น, นยอย่างญาติโยมที่นุ่งขาวห่วมขาวเนี่ยกำลังมาหาความสุขแบบใหม่เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายลากสังขารพาไปท่องเที่ยวตามประเทศนูน้นประเทศนี้ให้เหนื่อยเปล่าสูนั่งหลับตาทำใจให้สงบ ก็ได้ความสุขที่ดีกว่าไปไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้เป็นความสุขระดับสูงเป็นความสุขที่จะทำให้เราเลิกพึ่งร่างกายทำให้เราต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดคก ท, ที่นั่งสมาธิได้ถ้าเขาตายไปเขาก็ไม่มาเป็นมนุษย์เขาไปเป็นพรหมเด็แต่ว่ายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าความสงบที่เขาได้มันต้องเสื่อมไป ถ้าอยากจะทําให้ไม่เสือ่อมเขาต้องใช้วิปัสสนาทําลายความอยากต่างๆที่จะมาทําให้ความสงบมันเสือ่อมผู้ที่มีผู้ที่ทําลายความอยากได้ความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสได้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเพราะไม่มีความอยากที่จะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรสนมกลิ่นอยากจะสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกาย พอมีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากการทำใจให้สงบนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ <Okay. S 1> ถ้ามีความสงบแล้วเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไายได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจยังมีความสุขได้ความสุขทางสมาธินี้ไม่ได้พึ่งร่างกายแต่พึ่งสติต้องมีสติถึงจะทำใจให้สงบได้ เพืที่จะนั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบให้มีความสุขได้ต้องมีสติสติก็คือการหยุดความคิดต่างๆถ้ามีสติเราจะสั่งให้หยุดใจหยุดคิดได้พอใจหยุดคิดใจก็จะสงบแต่ถ้าเราไม่มีสตินั่งไปยังไงมันก็คิดคิดไปเรื่อยคิดไปแล้วมันก็ไม่มีความสงบแล้วมันก็จะ นั่งต่อไปไม่ได้เพราะมันจะเกิดความอยากจะลุกแล้วนั่งไปสักพังมันเมื่อยอยากจะลุกอยากจะไปหาอะไรดื่ม่ะอยากจะไปหาอะไรกินอยากจะไปหาอะไรดูเพราะนั่งเฉยๆแล้วมันไม่มีอะไรให้มันเสพมันก็เบื่อพราะมันไม่มีสติหยุดความคิดนีถ้ามันมีสติหยุดความคิดได้นี่มันจะไม่เบื่อมันจะสงบแล้วมันจะมีความสุข มันเป็นความสุขที่ดีกว่าการไปดูไปฟังไปกินไปเด่นอะไรงั้นถ้าอยากจะทาใจให้สงบนี้ต้องมาฝึกสติกันต้องสร้างสติกันวิธีที่จะสร้างสติเพื่อจะหยุดความคิดได้เราต้องระลึกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ใจระลึกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาเช่นให้ระลึกอยู่คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อย ถ้าเราพูดโทเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะไม่คิดก็จะไม่เกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากพอเกิดความอยากเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุขละอยู่เฉยๆไม่ได้พออยากจะดืเมเวลานี้เดี๋ยวต้องลุกไปหาอะไรมาดิงมกันละอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรเดี๋ยวต้องไปเปิดดูละเดี๋ยวอยากจะดูว่าใครส่งข่าวมาหรือยังส่งข้อความมาหรือยัง เดี๋ยวก็ต้องเปิดดูละแต่ถ้าอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปมันจะเลิมทุกอย่างเลิมทุกเรื่องไปแล้วมันก็จะสงบมันจะหยุดคิดเวลาหยุดคิดแล้วใจก็จะเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกเวลาเราคิดนี่เหมือนเราเอาภูเขามาแบกคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็หนัก อ, อกหนักใจคิดถึงคนนั้นคนนี้ที่เขาทาไม่ทาตามใจเรา มันก็หนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาใช่ไหยแต่ทอเราไม่คิดถึงเขาปั๊บความหนัก อ, อกหนักใจก็จะหายไปความสบายใจก็จะมาแทนที่ความสุขก็จะมาถ้าเรามีความสุขแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เรายังไม่เคยสัมผัสกัน เรายังไม่ได้มาเริ่มเรียนกันถ้าเราได้มาเริ่มเรียนแล้วถ้าเราเชื่อถ้าเรามีความสนใจที่จะลองทดสอบดูพิสูจน์ดูนำเอาลองไปปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วรับรองได้ว่าจะติดใจเอ mm hmm. ุตาจาตามที่พระเจ้าจบอกว่าไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ ที่จะเหนือก ว, กว่าความสุขที่ได้จากความสงบกายได้พบกับความสงบนี้แล้วจะทิ้งความสุขอย่างง่นยจะไปบวชกันพระพุทธเจ้าก็ทิ้งสละราชสมบัติได้พระพุทธเจ้าเคยสัมผัสกับความสงบตอนที่เป็นเด็กตอนที่อยู่คนเดียวไม่มีใครมารบกวนใจจิตก็สงบ <c oughs> เพราะท่านมีสติมาท่านมีสติเพราะไม่มีใครมาชวนคิด ก็เลยไม่ได้คิดไม่มีใครมาชวนพูชวนคุยก็เลยไม่ได้คิดอยู่เฉยมันก็หยุดคิดไปเฉยเฉพอหยุดคิดมันก็เกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาอมพอมีความสุขแบบนี้แล้วก็จะเลิกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้พอตายไปก็เลยไม่ต้องกลับมามีร่างกาย ไม่ต้องมามีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อที่จะได้หาราบยศสรรเสริญมาเสพกันจะเสพกับความสงบที่มีอยู่ในใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดก็ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายเท่ากับได้ซื้อประกันชีวิตเมื่อไม่เกิดแล้วจะตายได้อย่างไร แต่ถ้าเกิดแล้วต่อให้มีบริษัทประกันชีวิตกี่บริษัทมาประกันมันก็ประกันชีวิตไม่ได้ เ, เกิดแล้วก็ต้องตายซื้อประกันก็ซื้อประกันความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียชีวิตแต่ไม่สามารถประกันชีวิตได้ไม่สามารถประกันภัยได้แต่ถ้ามาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้ทั้งประกันภัยได้ทั้งประกันชีวิตเนี่ยตอนต้นก็ซื้อประกันภัยก่อนรักษาสินห้าไปให้ได้ก่อนแล้วต่อไปก็กลิ้มาซื้อประกันชีวิตถ้ายังไม่ได้ซื้อประกันชีวิตหรือ ย, ยังจ่ายไม่ครบถ้าเรากลับมาเกิดก็กลับมาเกิดในภพชาติที่ดีกลับมาเกิดในสุคติเพราะเราไม่ได้ทําบาปแต่ถ้าเรา สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ทําใจให้สงบได้เราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือประกันภัยและประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาประกันภัยนี่ง่ายกว่าประกันชีวิตประกันภัยเพียงแต่รักษาศี่ห้าให้ได้ก็พอแต่ประกันชีวิตนี้ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบ แล้วก็ต้องมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นทุกข์ได้มาแล้วจะต้องร้องหอบร้องไห้สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเพราะจะต้องมีวันสูญเสียมีวันพาดพาดจากกันเวลาได้มาก็ดีอกดีใจกัน แต่เวลาที่จะต้องพัดพลาดจากกันนี้มันจะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจกันให้มองให้เห็นความทุกข์ในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะได้ไม่กล้าที่จะไปเสกมันไม่กล้าที่จะไปมีมันสู้อยู่แบบนักบวช ด, ดีกว่าอยู่แบบนุ่งขาวห่มขาวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าเป็นความสุขที่ถาวร ความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าเราหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดกลับมาเกิดแล้วก็ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายทุกครั้งไปไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยเนี่ยพวกเราเคยเกิดแก่เจ็บตายมานี่นับไม่ถ้วนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าได้เกิดมาแก่เจ็บตายกี่ ทางก็ให้เอาน้ําตาที่เราร้องกันในแต่ละชาติเนี่ยมาสะสมไว้มารวบรวมไว้แล้วมันจะมันจะได้น้ํามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรน้ําตาของเราที่เราได้หลั่งมาเนี่ยในแต่ละภพแต่ละชาติในอดีตเนี่ยถ้าเรามารวบรวมไว้แล้วเนี่ยมันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรซะีกคิดดูที่ต้องกลับมาเกิดกี่ครั้งมาร้องไห้กันกี่ครั้งถึงจะหลั่งน้ําตาได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทร นั่นะคือการเกิดแก่เจตตายของพวกเราแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่มาซื้อประกันชีวิตกันถ้าเราไม่มาถือศีลแปดไม่มานั่งสมาธิไม่มาเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณ า, าความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พิจารณาความที่มันไม่ได้เป็นของเรา ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียมันไปให้พิจาราอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปหลงหาสิ่งต่างๆที่ทำให้เราต้องทุกข์ที่ทำให้เราต้องมาเกิดกันอันนี้คือประกันสองรูปแบบที่ทางพระพุทธศาสนาได้มีไว้ให้พวกเรากันก็อยู่ที่พวกเราจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือก เหมือนกับคนที่เขาซื้อประกันต่อให้เซลล์แมนพูดดีขนาดไหนแต่ถ้าก็ไม่ซื้อก็ขายไม่ออกอย่างดีวันนี้ขายประกันภัยประกันชีวิตให้ญาติโยมไปแล้วญาติโยมจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ญาติโยมเราก็ทําหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปิลิปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังค um ิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโจติ ระโสยถาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปะจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวันุสุขัง พลัง่าโยมอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะถ้าฟังแล้วไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอประการภัยสองรูปแบบนี้ <c oughs> ก็ถามนะตอบถามได้ใครก็อยากจะถามอะไรก็ถามได้นะใครมาทีหลังถ้ายังไม่ได้ถวายข้าวของอยากจะถวายข้าวของก็ก็ามาถวายได้ มากันหลายคนนะมากังกี่ค น, นะ น, กนหกคนเจ็ดคนนะอยู่ที่กรุงเทพแล้ว อ, อยู่แถวชนบุรีนะีน่กรุงเทพอยู่ที่สำนักงานใหญ่เลยหรือว่าอยู่ไหนจังหวัดอ๋จ อ, อจังหลายจังหวัดมาประชุมมาประชุมกันเนี่นนยเป็นเหมือนกับเป็นผู้จัดการสาขาอย่างนี้เลยเรียว่าป่าปัญมานั้นเ น, นี่ย รู้มา จ, ากกาจัดการคณะบุรีการคณาบุรีทำงานนี่เราเราทํากับบริษัทนี่เรา <c oughs> กินเงินเดือนเข้าหรือ่าแล้วว่าเรากินเปอร์เซ็นต์กันจากที่เราขายด้วยทั้งสองอย่างเงินเดือนทั้งเงินเดือนทั้งเปอร์เซ็นต์อ่าเงินเดือนก็มีเลยเอ <c oughs> คิดว่าแต่มีแต่เปอร์เซ็นต์ขายได้ก็ได้ไดก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปรู้จากวัยแล้วอยู่มาเก่าแล้ว เขามีสำนักงานสาขาตาม่างอย่างหวานป่าวมีมีเราเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะไปหาลูกค้าหาเซลล์แมนกันเองแล้วปีหนึ่งก็มีเรียกประชุมกันทีอย่างนี้แหละมาประชุมกันมารับนโยบายมารับเป้าหมายของของปีว่าจะต้องทำได้ท่าไหร่ แรกก็ขายตะการมีชีอย่างเดียวแต่กลับไปก็จะต้องไปขายสินห้าแล้วค่ะขายสินห้าด้วยขายตัวเราก่อนเราต้องพิสูจน์การว่าดีไม่ดีหนูก็สินสี่่ะค่าสัตบ้างค่าสัตว์บ้างแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ไม่ไม่รุนแรงบาดไม่แรงอย่าไปฆ่ามนุษย์เนี่ย กามนุษย์นี่บาปน่ะถ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็โทษเบา <c oughs> ข้ายุ่งก็ไปเกิดเป็นยุ่งให้เขาฆ่าเท่านั้นเองถ้าข้ามนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เขาฆ่าทำ <c oughs> อะไรอย่างไรก็ได้อย่างนั้นกลับมา <c oughs> น, นี่คือกฎแห่งกรรม นอกจากได้ประกันภัยได้ประกันชีวิตแล้วยังได้ความสุขด้วยนะลืมบอกทำบุญก็ได้ความสุขนรักษาศีลก็ได้ความสุขแรักษาศีลได้เราใจเราสบายเราไม่ค่อยวิตกกังวล เ, เราไปทำอะไรผิดตรงไหนยิงโกโหกนี่ทาให้เราต้องกังวลให้โ ก, โกโหกกับคนนี้พูดอย่างนี้อีกคนพูดอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวจำผิดจำถูกเดี๋ยวก็เอาว่าจับได้ <c oughs> แต่ถ้าพูดความจริงนี่พูดกี่ครั้งก็จริงทุกครั้งพูดกับใครมันก็จริงเหมือนกันแต่ถ้าพูดโกหกโกหกกับคนนี้เรื่องนั้นคนโกหกกับคนนี้เรื่องนี้เดี๋ยวลืมไปสลับกันอยู่เราจะไม่สบายใจทำบาปเราจะไม่สบายใจทำบุญเราจะสบายใจกว่า แล้วมีโอกาสลองนั่งสมาธิบ้างเนีวันหยุดทํา ง, งานลองหัดถือศีลแปดดูสักวันนึ่งลองหยุดการหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจดูจากมานั่งสมาธิมาสวดมนต์การสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสติไงทำให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยู่กับบทสวดมนต์ไปสวดไปเรื่อยๆแล้วใจก็เย็นสบายใจสงบสงบในระดับของการสวดมนต์ความสงบมันมีหลายระดับระดับสูงสุดนี้ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมหายใจไปอย่างเดียวแล้เวเดี๋ยวจิตจะดิ่งเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราพุทโธเรายัางเคล่อนไหวยอยู่ เดินไปทำอะไรไปพูดโธไปนี่มันก็สงบแบบไม่ฟุง้งซ่านหรือสวนมนต์มันก็เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะให้มันสงบเต็มที่นี่ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่คิดไม่รับรู้อะไรทั้งสิ่นก็ต้องค่อยฝึกไปเพราะสติของเรานี่มีกำลังน้อยไม่สามารถหยุดความคิดได้เต็มที่ถ้าเป็นลถก็คือเบรกไม่ดี เยียยังไงก็มันก็ไม่หยุดมันชะลอลงแต่มันไม่หยุดต้องไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ต้องไปฟิสเบรกใหม่สติเขาว่าเรานี้มันมันหยุดได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันรถมันวิ่งแล้วถ้าอารมณ์มันแรงนี่ดับไม่อยู่เวลาโกนี่หยุดมันไม่ได้เวลาโลกนี่หยุดมันไม่ได้แต่ถ้ามีสติขณะสมาธินี่หยุดได้ห ยุดความโลภได้หยุดความโกรธได้นี่ต้องหัดฝึกสติให้มากถ้าสามารถบริกรรมพุทโธได้ทั้งวันเลยถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปทั้งวันรับรองได้ว่าเวลาโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมานเบรคมันได้พอโกรธปักก็พุทโธพุทโธไปเดียวเดียวก็หายโกรธ พอโลภอยากได้อะไรพุโทโธพุทโธไปเดี๋วเดียวเดี๋ยวก็หายอยากแต่พอหยุดพุทโธเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เดี๋ยวก็โกรธใหม่เดี๋ยวก็อยากใหม่แต่ถ้าอยากจะให้มันหายโกรธอย่างท้าวนรหายอยากอย่างท้าวนรก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นทุกข์มันก็จะไม่อยากได้ต่อไปพอเราไม่อยากได้เราก็จะไม่โกรธความโกรธเรานี่เกิดจากความอยาก อยากได้อะไรแนละ้วไม่ได้ดังใจก็โกรธใช่ไหมไปร้านอาหารสั่งกว๋วยเตี๋ยวมเาเราข้าผัดมาให้เดี๋ยวก็โกรธนะหยิบผิดจานมาให้หยิบไปผิดส่งผิดโต๊ะโต๊ะข้าวผัดไปส่งมาให้โต๊ะกว๋วยเตี๋ยวคนสั่งกว๋วยเตี๋ยก็เลยโกรธนะเพราะไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้าเป็นคนที่อะไรก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ข้าวผัดก็ได้ก็จะไม่โกรธสั่งกว๋วยเตี๋ยวแต่มาข้าวผัดมาให้ก็กินได้ ไม่โกรธถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่โกรธจะไม่มีความอยากได้ก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์อยากไปอยากได้ดีกว่านี่ก็คือวิธีที่เราจะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตของเราจะทําให้ชีวิตเราเย็นสบายไม่วุ่นวายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงครับ ทำมาหากินไปตามอัตภาพได้เท่าไหร่ก็พอใจกับอรายได้ที่เราได้มาใช้ไปตามรายได้ที่เรามีอยู่มันก็มีความสุขได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าโลภอยากจะได้มากๆอยากพอได้มากๆก็ใช้มากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้อยู่ดีได้เท่านี้ก็ก็ใช้เท่านี้ก็อยากจะได้มากกว่านี้เพื่อจะได้ใช้มากกว่านี้มันไม่มีวันสิ้นสุด ตอนให้หามาได้มากเท่าไรความอยากจะใช้มันก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นทำํำไมเด็กๆ ก, ก็ใช้วันละเท่าไรไปโรงเรียนแม่ให้วันละสิบาทหรือยี่สิบาทนี่ก็ไปได้ละอยู่ได้ละซื้อข้าวกลางวันกินซื้อขนมหน่อยก็พอละอย่างนี้ได้เปล่าแค่นี้วันละยี่สิบาทสาสิบาทได้ลนะแล้วพอเงินเดือนขึ้นมากเท่าไรก็ใช้มากขึ้นไปเท่านั้นนะ่ะมันก็เลยไม่พอทุกระดับนะ ไม่ว่าจะอยู่ระดับแต่ระดับล่างมันก็ไม่พอใช้ ท, ทั้ทีเพราะว่าการใช้มันจะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามรายได้ที่เราได้มาแล้วมักจะใช้มากกว่าที่เราได้มาเพราะสมัยนี้เขาเปิดให้เราซื้อเงินผ่อนได้รูดบัตรได้รูดไปก่อนแล้วค่อยมาใช้ทีหลังใช้ไม่ได้ก็จ่ายดอกไปก่อนกระเจงแล้ว เ, เดี๋ยวก็เครียดบางคนถึงกับ ล้มละลายบางคนหึงกับข้าวตัวตายเพราะว่าไม่ไม่อยากจะเสียหน้าเสียตาเป็นนี่เป็นสินไม่อยากจะล้มละลายอันนี้ก็เกิดจากความอยากนี่แหละความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันไม่คิดว่ามันจะนำไปสู่ความตายสู่การข้าวตัวตายนำไปสู่ทามทุกข์ ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเราจะไม่กล้าใช้เงินใช้ทองถ้าจะใช้ก็ใช้กับของจําเป็นเท่านั้น<อ>ปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครือ่องมือข่มพอมีแล้วก็พออยู่ได้แล้วก็พอเส<อ>ื้อผ้ามีพอใช้แล้วก็ไม่ซื้อทํามันไม่ขาดมันไม่เอจําเป็นจะต้องซื้อก็ไม่ซื้ออย่างนี้รับรองได้ว่าจงเหลือกินเหลือใช้ จะมีเงินเหลือเยอะแยะจะรวยขึ้นมาได้คนที่เขารวยเพราะเขาใช้น้อยกว่าเขาหามาได้คนที่จนเพราะว่าเขาใช้มากกว่าที่เขาหามาได้หามาเท่าไหร่ก็ใช้หมดใช้มากกว่าที่หามเป็นหนี้เป็ น, น, ปนสินไปที่นล้าจะไปรวยได้ยังไงคนที่จะรวยเนี้ต้องต้องใช้น้อยกว่าที่เราหามาส่วนที่เหลือที่เราไม่ได้ใช้ก็ไปลงทุนต่อได้นะ เอาไปซื้อหุ้นก็ได้เอาไปซื้อตึกซื้อที่ดินก็ได้เดี๋ยวไม่กี่ปีที่ดินก็ราคาก็เท่าตัวดีกว่าฝากเงินในธนาคารนี่ที่ดินนี่สมัยที่เรามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆแถววัดยาเนี่ไร่ละสองหมืนเดี๋ยวนี้สองสามล้านนะแต่ก็สามสิบปีฝากเงินสองหมืนในธนาคารจะได้สามสิบสองสามล้านในวันนี้หรือเปล่ามั้งสามสิบปี ที่จะได้มากกว่าแต่นี้ก็ไม่ดีหละเดี๋ยวก็ตายก็ต้องจากกันอยู่ดีแต่พูดว่าในลักษณะของคนที่ยังต้องอยู่ในโลกของคนที่ยังต้องใช้เงินอยู่ก็ต้องรู้จักใช้รู้จักหาเราจะไมจะได้ไม่ไม่ทุกข์กับเรื่องเงินทองมากจนเกินไปแต่ถ้าไม่รู้จักหารู้จักใช้อย่างเดียวจนหมดเนื้อหมดตัวต้องเป็นหนี้เป็นสินอย่างแน่นอน พระเจ้าถึงสอนให้มักน้อยสันโดษใครมีมากน้อยสันโดษแล้วชีวิตจะปลอดภัยมากน้อยก็คือเอาเอาเท่าที่จําเป็นอันไรไม่จําเป็นไม่เอาเอาแค่ปัจจัยสี่ปัจจัยห้าปัจจัยหกไม่เอาอเครื่องสำอางไม่เอาล้างหน้าล้างตาแค่นี้ก็พอละเครื่องทําผมอะไรก็ไม่ต้องทำํำเอาอยู่แบบธรรมชาติเขา อ, อะไรไม่จําเป็นจะต้องมีไม่ต้องไปมีมะ แล้วรายจ่ายจะลดทั่วภาพเลยเหลือแค่รายจ่ายแค่ปัจจัยสี่เาั <c oughs> แล้วจะมีเงินเหลือเฟือมีเงินเหลือใช้ <c oughs> ไม่มีใครอยากจะถามเลยเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ทางบ้านก็ถาม <c oughs> ถ้าใครอยากจะฟังต่อก็ฟังได้นะแต่ใครอยากจะกลับก็กลับได้ เราก็จะอยู่ให้ถึงประมาณสองโมงอันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่อันนี้สูงสุดสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ค่ ะ, ะเกือบห้าร้อยนะอันยูทุบ <YouTube S 1> สูงสุดหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดค่ะยนี่เกินร้อยนะคาถามจากคุณอุย๋ยการที่เราทําสมาธิแล้วจิตบอกเห็นแล้วว่าจิตนี้ไม่มีโลก จิตนี้ไม่หลงจิตนี้ไม่อยากจิตนี้รู้แล้วแต่การพิจรารณาทุกอย่างว่าไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของธรรมดาแต่ก็จเจริญสติได้เท่านี้แล้วอย่างนี้เราควรจะพิจารณาอย่างไรต่อต้องคะก็ต้องไปทดสอบดูว่าเรารู้จริงหรือไม่รู้จริงไปยกแฟนให้คนอื่นได้ไหม <Pharaoh> ยกลูกให้คนอื่นได้ไหมในเมื่อไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้ามีเขาขอแฟนเราเรายกแฟนเราให้เขาได้หรือเปล่าเอามาขอเงินเราให้เงินเขาไปได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ถือว่าเป็นของเราเราก็ยกให้เขาไปถ้าเรายังถือว่าเป็นของเราอยู่ก็แสดงว่ามันยังมันยังไม่ได้เห็นจริงแล้วเวลาเราสูญเสียของที่เราคิดว่าเป็นของเราไปนี่เราล่องห่มล่องห้หรือเปล่าเราเสียอกเสียใจหรือเปล่าถ้ายังเสียอกเสียใจอ ย, อยู่ก็สแสดงว่า สิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราทำมันไม่เหมือนกันเวลาเรานั่งสมาธิเราก็เห็นเห็นไปหมดเห็นหนูน่นเห็นหนี่ไปหมดนะพอออกมาจากสมาธิหายไปหมดเป็นของเรากรรมมาเป็นของเราไปหมด <c oughs> <c oughs> มันต้องไม่เป็นของเราตลอดเวลาไม่ใช่เป็นไม่ใช่จะไม่ใช่เป็นของเราเฉพาะตอนที่เรานั่งในสมาธิเท่านั้นคำถามจากคุณสุชาติ ผมบวชอยู่มหานิกายแล้วถ้าผมไปปฏิยติตเต็มธรรมยุทธ์ผมต้องนับพรรษาใหม่หรือเปล่าครับเขานับใหม่พรรษาเก่าทางทางมหานิกายเขาเขาก็าลบก็บวชเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำญาติแล้วล่ะเขาให้บวชใหม่มแต่ก็บวชในวันนั้นศึกในวันนั้นแล้วก็บวชเลยศึกปั๊บแล้วเข้าบวชไปเลยคือจะได้มันจะได้ตัดขาดไปจากการบวชเดิมะ จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับอุปชาเก่าเมื่อ่านนี้มีชาวแคทลิกมาหกสิบกว่าคนมาจากหลายประเทศเข้ามาประชุมกันพวกนี้เขาเป็นพวกที่เขาทำาศาสนสัมพันธ์ mm hmm. เขาจะไปพบปะกับาศาสนาอื่น mm hmm. เพื่อที่จะทำความรู้จักทำความเข้าใจกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในประเทศของเขา แต่ที่เข้ามาที่พัทยานี้เข้ามาประชุมกันทุกสามสี่ปีเขาจะมีการมาประชุมมาสัมมนากันครั้งหนึ่งแต่หน้าที่ของเขาพวกนี้คือเขาเขาเป็นชาวแคทอลิกแต่เขามีหน้าที่ที่จะต้องออกไปพบปะไปทาความรู้จักไปทำความเข้าใจกับาศาสนาอื่นผู้ที่นับถือาศาสนาอื่น mm hmm. เขาก็เลยมาที่นี่มาถามเกี่ยวกับาศาสนาพูธเมื่อวานนี้ อะไรพูดให้เขาฟังว่าศาสนาพุทธมีอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับศาสนาเขาสอนเหมือนกันสอนให้ทําบุญเหมือนกันสอนให้รักษาศีลเหมือนกันต่างกันตรงที่ศาสนาเราสอนให้เราภาวนาสอนให้เราซื้อประกันชีวิตแต่เขาไม่มีซื้อเขไม่มีขายประกันชีวิตในศาสนาเขาคือข้อถามนะคะคือถ้าบางครั้งเนี่ย เรารู้ว่าการทําบุญเนี่ยตั้งแต่เลก็กจนโตเราก็ทําบุญใส่บาไปวัดเนี่ยนะคะแต่พอบอกว่าจเจริญสติแล้วให้นั่งสมาธิเนี่ยบางครั้งเราบอกว่าตานั่งทุกโธเี่ยแล้วเราก็จิตใจมันมีความกังวลคิดนู่นคิดนี่แล้วเมื่อไหร่สติเราจะนิ่งจะทําเมื่อไหร่ทําแบบไหนก็คือนั่งสมาธิแล้วจะเป็นบุญอะไรเนี้ยค่ะก็เ น, นี่ยก็ต้องหัดพุทโธไปก่อนเนี่ยนะ พ, พุทโธก่อนที่จะมานั่ง พอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยปกติเราตื่นขึ้นมาจะคิดแล้วนู่ น, ค, น, นคิดนู่นคิดนี้นะไม่จําเป็นจะต้องคิดก็อย่าไปคิดหยุดมันดีกว่าแห้มายู่กับพุโทโธพุโทโธไปในขณะที่เราเตรียมตัวไปทํางานล้างหน้านัางตาก็พุโทโธไปแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปอย่างนี้เราจะมีสติแล้วเวลานั่งจิตมันจะสงบเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่ฝึกพุโทโธ ฝึกสติมาก่อนพอนั่งก็จะคิดเรื่อยเปื่อยวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่งไปก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดจนทั้งทนนั่งไม่ไหวอันนี้พราะเราสติไม่มีกําลังที่จะหยุดความคิดต่างๆแต่ถ้าเรามีพุโทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆพอเวลาเรานั่งเราก็นั่งกับเราก็พุโทโธไปพุโทโธไปแล้วใจถ้านั่งท่านร่างกายนั่งเฉยๆใจมันจะ มันจะสงบกว่าเวลาที่เราทำอะไรนีไม่ดีเผลอๆมันอาจจะตกหลุมตกบอ่อวุบลงไปแล้วใจก็จะเนิ่งสงบแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างมาสาจัญใจแล้วเราจะเห็นคุณค่าเห็นบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิต้องฝึกสติให้มากต้องควบคุมความคิดตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งหรือถ้าเราไม่ใช่พุโทโธเราก็ต้อง มีสติอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เรากําลังอาบน้ําก็อยู่กับเรื่องอาบน้ําอย่างเดียวอย่าส่งจิตไปคิดถึงงานที่เราจะไปทำให้อยู่กับการอาบน้ําล้างหนา้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ให้อยู่ในปัจจุบันอย่าส่งไปอดีตอย่าส่งไปอานาคตถ้ามีความจําเป็นจะต้องคิดจร Q, ิงๆก็หยุดการการะทําต่างๆแล้วก็มีสติอยู่กับการคิดไปคิดแต่เฉพาะเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องคิด คิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทำเรื่องที่เรากำลังต้องทำต่อไปอย่างนี้เรียวกว่าการมีสติแล้วเวลานั่งเราจะนั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เราไม่ใช้พุทโธก็ได้ใช้ดูใช้ลมหายใจแทนเพราะเราเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาอยู่แล้วพอเวลาเรานั่งเราก็มาดูลมหายใจของร่างกายดูที่ปลายจมูกลมเข้าก็ดูตรงนั้นลมออกก็ดูตรงนั้น ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาหายใจสั้นก็รู้ว่าสัน้นยาวก็รู้ว่ายาวอยากก็รู้ว่าอยากละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมลมลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตกใจกลัวว่าจะตายเพราะไม่มีลมหายใจมันละเอียดจนเราไม่สามารถจับมันได้มันยังมีตราบใดที่เรายังมีสติอยู่รู้ตัวอยู่นี้ไม่ตายไม่ต้องไปตกใจให้รู้เฉยๆไป แล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเองต้องลองฝึกสติให้มากๆก่อนถึงจะสามารถนั่งสมาธิแล้วได้ผลคำถามจากคุณจิ๊บค่ะเพื่อดองทางานด้านอนุรักษ์ของโบราณวัตถุค่ะซึ่งต้องพอเชิงกับความเสื่อม ข, ของวัตถุแต่เราต้องทําหน้าที่เพื่อรักษาให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ในอนาคตแต่จู่ๆก็คิดว่า เรากําลังทำบางสิ่งที่ขัดกับการยอมรับในความเสื่อมหรือไม่คะเคยพบคําสอนบอกว่าการสะสมถือไดการจิตยึดชนิดหนึ่งคะ่ะใช่มันก็เป็นกิเลสเนี่ยเป็นความหลงที่ไปยึดกับวัตถุวัตถุตั้งดาวมันก็ต้องเสื่อมไ ป, ไปอนุรักษ์มันทำไมของวันนี้ที่เราทําเดี่ยมันก็กลายเป็นของเก่าในวันหน้านเดี๋ยวคนเกิดมาทีหลังเราก็มาอนุรักษ์ของที่เราไม่ได้อนุรักษ์กันอยู่ในวันนี้ คนที่เราของที่เราอนุรักษ์กันอย่างวันนี้คนสมัยนั้นเขาอนุรักษ์กันหรือเปล่า mm hmm. เราก็ไม่สนใจมันไม่มีคุณค่าอะไรหรอกแต่เราไปตั้งคุณค่าของมันขึ้นมาเองว่ามันเป็นของเก่าหายากเท่นั้นเอง mm hmm. ใช่ไหมเพราะอะไรหายากมันก็เลยแพง mm hmm. ใช่ไหมเอาไปขายมันขายได้ราคาดีกว่าของที่มันหาง่ายกว่าเพราะนั้นเอง mm hmm. จะกลับไปใช่ไหมอ่าเอานะได้สาธุสา ธ, สาธนั่งอยู่ได้นังนานคือจะกลับตั้งแต่ให้พอแล้วนะทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้เอาเลยเนี่ยหยิบได้หนังสือซีดีหยิบได้ตามสบายเอาไปฟังเอาไปอ่านนะอยาไปบูชานะ หยิบได้ตามสบายเลยนะอันนั้นเป็นทั้งกล่องเลยซีดีเป็นชุดของปีที่แล้ววันนี้ขายประกันภัยได้แล้วใช่ไหมมีคนรู้ซื้อประกันภัยกันได้อยัง <ไป S 2> สีนห้าไไหจจอจะปฏิบัติอย่างไรให้ข้ามพ้นความกลัวค่ะ คือว่าตอนเป็นเด็กนี่มีแนวกระโจนเข้าใส่ตัวแล้วทั้งหลายครอบครัวทีกลัวแมวมาตลอดแล้วพอมาปฏิบัติธรรมนี่ดูแนววนเรียนแถวที้ปฏิบาททาัติธรรมมันเหมือนมีกุศลกันก็ขั้นต้นต้องฝึกสติก่อนจิตเรามันอ่อนไหวง่ายต้องทําให้จิตมันแข็งก่อนควบคุมความกลัวด้วยสติก่อน พูดพุทโธพูดพทโธไปเรื่อยๆเวลาเห็นแมวก็อย่าไปคิดถึงแมวให้กลับมาคิดถึงพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับแมวให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปพอเราไม่คิดถึงแมวแล้วใจเราก็จะไม่หวั่นไหว ข, ขั้นแรกต้องสู้ความกลัวด้วยสติก่อนพอเราไม่กลัวแล้วถึงขั้นต่อไปเวลาเรากลัวแล้วเราอยากจะให้มันหายกลัวอย่างเท้าว่นก็ พิจารณาว่าแมวมันทำอะไรเราได้เราตัวใหญ่กับมันต้องเยอะแยะมันอย่างมากก็ขวนเรากัดเราเท่านั้นเองมันจะทำอะไรเราได้มากกว่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปมันก็จะไม่กลัวแมวหรือถ้าอย่างมากมันก็ฆ่าเรามันก็ตายมันไม่ฆ่าเราเราก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเรายอมรับความตายแล้วเราจะไม่กลัวอะไร อาจจะเป็นแมวเป็นเสืออย่างเงี้ยเสือก็เป็นแมวเหมือนกันนะฮะอย่างมากมันก็กัดเราตายมันไม่กัดเราตายล้วก็ต้องตายอยู่ดีนั้ถ้าเราต้องการที่จะทำลายความกลัวเราก็ต้องยอมตายไม่กลัวตายถ้าเราไม่กลัวตายแล้วยอมตายแล้วมันก็จะไม่กลัวอะไรแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาได้มันจะต้องใช้สติก่อนเพราะถ้าไม่มีสตินี่มันจะไม่มีกรจิกกระใจจะคิดทางปัญญาได้ เอากลัวแล้วสั่นไปหมดทั้งตัวเลยตอนนั้นก็ต้องใช้สติหยุดก่อนพอหา ย, หายสั่นแล้วค่อยมาใช้ปัญญาพิจารณาอีกทีว่ามันทำอะไรเราได้อย่างมากมันก็ฆ่าเราแล้วไม่ฆ่าเราเราก็เราก็ไม่ตายเลยเราก็ต้องตายอยู่ดีไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันพรุ่งนี้เนยะเกิดมาแล้วทุกคนมันต้องตายด้วยกันทุกคนพอเรายอมรับความตายได้เราจะไม่กลัวอะไรต่อไป เดี๋ยวจะเท้าก่านเท้าสิอ่ะวิญญาณจะขันนะใช่ไหมวิญญาณอ่ ะ, ญญอะจับตัวจิตผู้รู้นี่คนละตัวกันคนละตัวกันใช่ไหมจะ๊ะคือวิญญาณนี้เป็นหน้าที่มารับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วลถ้าเกิดตามตามบอดไปนี่วิญญาณทางตาก็ไม่ทํางานละแต่ตัวจิตตัวรู้ยังทํางานอยู่เท่าเดิมตัวจิตนี้เป็นตัวรู้ตัววิญญาณอีกทีหนึง่ง รู้รูปเสียงกลิ่นรสที่วิญญาณรับมาให้กับจิตอีกทีหนึง่งวิญญาณนี้เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนเป็นเป็นบุรุษไปชนีที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาให้กับจิตอีกทีนึงจิตเป็นผู้รู้จริงจริงแล้วงั้นในวิญญาณฐานที่ทั้งหกประมาณตบบญญาจมุกลิ้นใจอีกอการทำอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็ตัวเดียวกันตัวผู้รู้ไงทำใจที่ในวิญญาณ ใจเป็นผู้ <ใจ S 1> เ, ปเป็นผู้รู้ทำอารมณ์ไงก็ใจนี่<จ>แหละไอ้ตัวทำอารมณ์เนี่ยเป็นตัวทีเ่เป็นตัววิญญาณไขลูกเสียงกลิ่นรสผดทพักษกับทำอารมณ์เนี่ยเออตัต้องรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มันเหมือนกับลักษณะที่ว่าใจหรือจิผู้รู้เนี่ยคุมอยู่ทั้งหมดเมือกี้ลวงพ่อบอกว่าสักกาต์ดวิญญาณจะาไป ใจยังอยู่เออถ้าจิตสงบทําอารมณ์หายไปจิตก็ยังอยู่เอเวลาไม่มีอารมณ์เวลาจิตสงบเป็นสมาธิธรรมอารมณ์ก็หายไปลูกเสียงกลิ่นรสก็หายไปหมดเลยเวลานั่งสมาธิถ้าจิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธินี่อวิญญาณทั้งหกนี่หยุดทํางานหมดลูกเสียงอตาหูจมูกเิ้นกายอวิญญาณทั้งห้าขันเนี่ย ส่วนทำอารมณ์นี้ไม่ต้องมีวิญญาณเพราะมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจอยู่แล้วรับรู้โดยตรงด้วยใจเลยไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านวิญญาณรู้เหล่านี้ไม่สําคัญรู้ให้รู้ว่ามันเกิดดับแล้วอย่าไปยึดติดกับมันมันเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปมันดับก็เกิดบล่อยมันดับไปตาบอดก็ปล่อยมันบอดไปอย่าไปอยากให้มันเกิดใหม่อย่าไปถ้า ถ้าจักขูวิญญาณหายไปก็อย่าไปอยากให้มามาเพราะอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้ามันไม่มาสำคันให้รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับยอมรับเวลามันเกิดก็ต้องอยู่กับมันไปเวลาเห็นภาพที่ไม่ถูกใจก็ต้องอยู่กับมันไปเวลาตาบอดมองไม่เห็นอะไรก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเกิดมีการดับมีการมาการไปถ้าไปอยากให้มันเป็นไปตามที่เราอยาก แล้วมันไม่เป็นไปดังที่เราอยากเราก็จะทุกข์อยากจะฟังแต่เสียงสรรเสริญไม่อยากจะฟังเสียงนินทางนก็จะทุกข์นะพอได้ยินเสียงนินทาเนี่ยปวดล้าเข้าไปในหัวใจเลยใช่ไหทั้งๆี้เป็นแค่เสียงเท่านั้นเองแต่มันมันแหลมคมยิ่งกว่ามีดบาดร่างกายมันเจ็บมากกว่ามีดบาดร่างกายเอง เฉพาะเสียงของคนของคนที่เรารักแล้วคนที่เราไม่คิดว่าเขาจะพูดร้ายกําลังนี่มาพอเขาพูดร้ายกับเรานี่มะมันบาดหัวใจเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เลยพอเรายัางไปยึดติดกับเี่ยวิญญาณอยู่ยงยึดติดกับเสียงเขาเรียกกันว่าโสตะวิญญาณอยู่ต้องเป็นโสตะวิญญาณที่เราชอบพอไปเจอโสตะวิญญาณที่เราไม่ชอบก็ทุกข์ เราต้องทําใจว่ามันวิญญาณมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งดีไม่ดีเอมีทั้งเกิดทั้งดับเวลาได้ยินเสียงสารเสร้นพอไม่ได้ยินเสียงสารเสร้นก็รู้สึกเหงาขึ้นมาเออผู้หลักผู้ใหญ่นี่มีคอยคนคอยเอาออกเอาใจพอพ้นตจำหน่งก็ไม่มีใครมาเอาออกเอาใจนะ้ที่เขาเหงาแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณต่างๆให้ได้ ควาจิงวิญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญามันมาเป็นพวงอ่ะมันมาด้วยกันพอมีวิญญามันก็มีเวทนาตามมาแล้วก็มีสังขารความอยากตามมามีสัญญาความจำตามมารู้ว่าวิญญาณ น, นี้ดีไม่ดีเสียงนี้ดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่สัญญาแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาถ้าดีก็สุขถ้าไม่ดีก็ทุกข์แล้วพอสุขกับทุกข์ก็เกิดสังขารขึ้นมาถ้าสุขก็อยากให้มันอยู่ไปนาน ถ้าทุกข์ก็อยากให้มันหายไปเร็วๆถ้ามันไม่เป็นไปดังที่อยากก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ดูว่าเราไปบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันมาอย่างไงก็เอามาอย่างนั้นสั่งวเวที๋ยวมันให้ข้าวผัดก็กินข้าวผัดไปไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกนีมันจะมาแบบไหนก็รับมันได้ทุกแบบใครจะชมก็ฟังไปใครจะด่าก็ฟังไปแต่ใจเฉยๆไม่มีความอยาก ให้เขาชมหรือไม่ชมไม่อยากให้เขาไม่ด่าหรือไม่ดา่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้คือทําใจให้เราวางเฉยให้ได้โดยการรู้ว่าเราไปควบคุมบังคับพวกขันไม่ได้การห้าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้อาจจะสั่งได้บางเวลาเช่นตอนนี้ร่างกายเรายังพอสั่งมันได้แต่พอถึงเวลามันเจ็บไข้มันจะให้มัน ไม่เจ็บมันไม่ได้อย่างสองวันก่อนเนี่เป็นหวัดมานี้ให้มันหายมันไม่หายแล้วมันก็ต้องปล่อยไวันนี้มันหายไปแล้วเห็นไหเถ็งเวลามันไปมันก็ไปแต่ใจเราถ้าไม่มีความอยากให้มันหายหรือไม่หายเราก็ไม่เดือดร้อนมันไม่หายก็อยู่กับมันไปมันหายก็ไม่ไดปเรียกร้องให้มันกลับมานี่คือการสลดใจให้ใจเราปล่อยวางทุกอย่างให้สักแต่ว่รู้รู้ว่าเขาเกิดเขาดับรู้ว่าเขาไม่เที่ยง หรือว่าเขาไม่ใช่ของเราเราไปผู้ควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้เนี่ยเวลาที่เราตายไปก็เฉพาะรูปเท่านั้นที่ดับก็มันมันอยู่กับจิตมันก็ไปกับจิตนมันไม่มีวันดับมันเป็นมันมันไม่ดับถาวรมันดับชั่วคราวเกิดดับมันหยุดเหมือนแสงหิ่งห้อยอย่างเงี้ยแสงหิ่งห้อยมันเกิดดับเกิดดับ แต่ตัวที่ตัวหิงห้อยมันไม่ได้ไม่ได้ดับตัวจิตนี้ไม่ได้ดับอแต่แสงหิงห้อย น, นี้มันก็มีตัวสังขารนี่มันก็มีหยุดทํางานได้เวลาจิตสงบมันก็หยุดทํางานคําถามจากคุณปานิสาค่ะมีวิธีทําให้คนที่เขาเกลียดเราไม่ชอบเรามากๆแต่ให้อภัยเราไม่ได้เลยแม้แต่ได้ยินชื่อก็เกลียดไม่ชอบเราเลย แต่เรากลับแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดเราทุทกๆเวลาไม่ว่าใส่บาศเสจหรือสวดมนต์เสร็จมีวิธีทําให้เขาไม่เกลียดเราไหมคะมีก็แผ่เมตตาน่ที่แผ่นี้ไม่ได้แผ่เมตตาเพียงแต่คิดเฉยๆเข้าใจวิธีแผ่เมตตาจริงๆก็เอาขอนมไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาเขาอยากจะได้อะไรก็ซื้อให้เขารับรองได้เดี๋ยวเขาก็ เขาก็รักเราเองะคนที่เขารักกันเนี่ยผู้ชายเวลาจีบผู้หญิงก็ทําไงเขาก็ซื้อของมาให้มีอะไรซื้อกระโปรงมาให้ซื้อกระเป๋ามาให้ซื้อรองเท้ามาให้นี่แหละแผนเมตตาต้องแผ่แบบนี้ไม่ใช่มานั่งสวดสัตเพสัตตาถ้าสวดไปอย่างนั้นจนวันตายเขาก็ไม่มีวันรักเราหรอกนะมีแผ่เมตตามันถูกวิธีแผนเมตตามันต้องแผ่ด้วยอด้วยของ ไม่ใช่แผดด้วยการสวดการสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผการสวดนี้เป็นการสอนสอนใจเตือนใจให้ว่าเราต้องแผดเมตตาแต่เวลาเราเจอกันเราต้องยิ้มให้กันไม่ใช่หน้าบึ้งใส่กันมีขนมนมเนยก็เอามาแจกกันมาแบ่งกันมีปัญหาก็ให้อภัยกันถ้าไม่เข้าใจกันโกรธกันก็ให้อภัยกันถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวก็เขาก็รักเราเองแหละ คำถามจากคุณปราวดีความหมายของบุญที่แท้จริงทําไมพระส่วนใหญ่เน้นการบริจาคการทําบุญกับพระต่างจากกับการบริจาคกับผู้ตกทุกข์ผู้ป่วยโรงพยาบาลโรงเรียนอันไหนได้มากกว่ากันคะได้เท่ากันน่ยได้ให้ใครก็ได้เท่ากันเพียงแต่ว่าประโยชน์ที่ผู้นับไปจะไปทํานี้มันต่างกันถ้าเอาไปให้กับพระดีพระท่านก็ไปไป ไปสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะเช่นไปสร้างวัดไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเพื่อให้มีการได้ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางขึ้นไปแต่ถ้าไปถวายกับพระไม่ดีก็อาจจะไปเอาไปเที่ยวก็ได้ไปใช้ใจ่ายของสูรุ่ยสุรายซื้อรถยนต์นั่งกันอะไรกันทำนองนี้ เวลาเราให้เงินคนเราต้องดูว่าเขาจะไปทำประโยชน์อะไรแต่เงินที่เราให้เนี่ยไม่ว่าเราให้ใครเราได้บุญเหมือนกันเราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปปล่อยนกปล่อยปลาเราก็ได้บุญเหมือนกันเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปให้กับโรงพยาบาลก็ได้บุญเหมือนเท่ากันแต่ประโยชน์ที่ผู้รับเขาจะไปทำนี้มันไม่เหมือนกันถ้าไปให้โรงพยาบาลเขาก็ไปซื้อหยุกซื้อยาหรือไป ไปขยายตึกอะไรต่างๆซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาบริการคนไข้ก็จะทำให้สามารถดูแลคนไข้ได้มากขึ้นคำ ถ, ถามจากคุณชาิตาประกันชีวิตแบบไม่ต้องมาเกิดอีกต้องทำอะไรบ้างเจ้าคะก็เนี่ยก็ต้องใบบวชถือศีลแปดขึ้นไปอย่างน้อ ย, ยแล้วก็ฝึกสติจนนั่งสมาธิจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ แล้วก็พิจารณารมให้เห็นมีดวงตาหเห็นธรรมให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสไม่เทียงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเห็นแล้วมันก็จะตัดความอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเพราะไม่มีความอยากได้ก็จะไม่มีความที่จะต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปคุณปณนิษฐาบอกมาว่า ที่แผนเนตตาที่อาจารย์บอกให้ขออะค่ะเขาเคยทากับเข้าไปให้พอท่านรู้ว่าเป็นของเราท่านไม่กินเลยค่ะก็ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆหาอากาาจะไม่ชอบอาหารที่เราทานไปก็ได้เราไม่เช็คดูว่าเขาชอบอะไรเอซื้อของที่เขาชอบกินไปสิเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวไปเราผัานให้เขาเขาก็ไม่เขาก็คืนมาสิของอย่งอื่นเยอะแยไปเนี่ยไปซื้อกะช้าที่เขาราคาแพงๆให้ก็ดูเดี๋ยวดูเขาจะส่งคืนหรือเปล่าเออ ใช่ไหมก็เช <din utes> um. ้านี้มันมีหลายราคาใช่ไหมเอาราคาสักหมื่นนึ่งนีดูดูเขาจะดูเขาจะส่งคืนหรือเปล่าเอาของถูกๆไปเขาว่าคืนเลยซื้อรถได้เนี่ยก็สจะคันด้วยดูเขาจะคืนหรือเอลอของง่ายๆแค่นี้ทำไปโง่ไปได้อ้าวต่อไป แฟนของโยมยึดติดในญาติในบุคคลที่ล่วงรับไปแล้วสุนัขที่ล่วงรับไปแล้วว่าเกิดมาอยากให้เกิดมาพร้อมกันอีกแฟนโยมรู้สึกทุกข์มากแบบนี้มีวิธีปลอบใจอย่างไรเจ้าคะเพราว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเหมือนดินฟ้าอากาศเราจะไปสั่งมันไม่ได้หรอกฝนตกเวลานายเราสั่งมันได้หรือเปล่าไอ้เรื่องการกลับมาเกิดใหม่ก็เหมือนกันไปบังคับมันไปสั่งมันไม่ได้หรอกก็ต้องเป็นไปตาม ตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าโชคดีอาจจะกลับมาเจอกันก็ได้ถ้าโชคไม่ดีก็ไม่ต้องเจอกันก็มันไม่ได้เจอกันก็ไม่มีปัญหาเลยคนที่เราเจอกันตอนนี้มาที่เราเจอกันตอนนี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเมื่อก่อนพอเจอกันแล้วมันก็รักกันเองแหละเจ้าคราวหน้าไปเจอของใหม่มันก็รักกันเหมือนกันอ่ะพอรักอะไรแล้วก็อยากจะให้เจอกันไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่เคยเจอกันเรื่อยๆหรอกเจอกันครั้งเดียวนั่นแหละแต่ครั้งหน้าไปเจอของใหม่ก็รักกันใหม่ จะคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งการที่ลูกเห็นคนอื่นทุกแล้วลูกทุกตามลูกจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดทุกข์ขึ้นนี้ครับก็ต้องฝึกสติเนะียให้มีกําลังจนใจเป็นอุเบกขาใจเฉยเฉยเห็นใครทุกข์ก็ไม่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นใครสุขก็ไม่ใช่เรื่องของเราสุขทุกข์เป็นเรื่องของเขาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของเขาเขาทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเขาก็ต้องเป็นผู้รับผล ของกรรมนั้นไปแต่ถ้าใจเรามันไปทุกข์กับเขาเพราะใจเราอ่อนไหวไม่มีไม่มีอุเบกขาไม่มีสติเหตนั้นเวลาเราเห็นใครเขาทุกข์เราก็ทุกข์ตามเราก็ต้องพูดโธพูดโทไปอย่าไปคิดถึงเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะหายทุกข์คำถามจากคุณพีโกต้องการทําประกันอักคีไม่ไปนรกแน่นอนต้องทําอะไรบ้างคะก็อย่าทํำบาปอย่าฆ่าคนเนี่ย อย่าทําอย่าทําด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทส่วนใหญ่คนที่เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็มักจะฆ่ากันใช่ไหมถึงจะสะใจใ ไ, ไปทําอย่างอื่นก็ไม่สะใจเท่ากับไปฆ่าเขาละยังบาปหนักที่สุดก็คือการฆ่าลองลงมาก็คือการรักทรัพย์ลองลงมาก็คือการประพฤติผิดประเวณีลองลงมาก็คือการพูดปด ท่า น, นบอกว่าการไปนรกนี่ไปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบามถ้าทําด้วยความโลภนี่ไปเป็นเปรตถ้าทําด้วยความหลงไม่รู้ก็เป็นเดรัจฉานเช่นเดรัจฉานเขาก็ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อเอาตัวเขาอยู่รอดแตถ้าเราทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อจะเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่แล้วก็ไปเป็นเดรัจฉาน แต่ถ้าเราฆ่าด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราก็ไปนรกถ้าเราฆ่าด้วยความโลภอยากรวยแล้วก็เลยทําอาชีพนี้ขยายกิจกรรมจนใหญ่โตรวยจากการฆ่าสัตว์นี้ก็เป็นเปรตไปคําถามจากคุณนันทิดาการกําหนดยุคหนอพองหนอเราควรตักจิตไว้ที่ยุคหนอพองหนออย่างเดียว หรือจะตามอารมณ์ไปดูรู้ถึงการเกิดดับของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาเ อ, อ่าไม่ตามอารมณ์ให้อยู่กับยุบหนอพองหนออย่างเดียวเวลาเข้าก็รู้ว่าพองเวลาออกก็รู้ว่ายุบเนี่ยคล้ายรู้แค่นี้อย่าไปอย่าไปพิจารณาอารมณ์อะไรต่างๆนั่งสมาธิต้องการหยุดพิจารณาต้องการหยุดคิดต้องการให้จิตนิ่งจิตสงบนังต้องเพ่งอย่างเดียวต้องรู้อย่างเดียวรู้เฉยๆอย่าไปคิด คำถามจากคุณวันนี้เวลาตักบาทใส่รองเท้าเป็นบาปไหมคะไม่บาปบแต่ไม่ได้บุญเต็มร้อยเพราะว่าไม่ได้ให้ความเคารพต่อทานต่อบุญที่เราทำํำพระนี่ถือว่าท่านเป็นผู้ที่สูงกว่าเรามีศีลมากกว่าเราเวลาเราทําบุญเราต้องอยู่ต่ำกว่าท่านหรือเท่ากับท่านไม่ควรที่จะสูงกว่าเช่นพอเราใส่รองเท้าท่านไม่ใส่รองเท้าอย่างนี้ก็ถือว่าเราย อ, อยู่ในที่สูงกว่าท่าน ตามโบราณนี่คนใหญ่เขาจะอยู่ที่สูงกว่าคนคนคนเล็กเนี่ยไอ้แม่พระเจ้าแผ่นดินนั่งเขสูงใช่ไหมคนที่เข้าหาพระเจ้าแผ่นดินนี่ต้องคานเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ทําบุญนี่บางคนเขาไม่กล้ายืนด้วยซ้ำไปชาวชา บ, บ้านทางอีสานนี่บางทีเขานั่งแล้วก็เอามือใส่เขาไม่กล้ายืนใส่บาทเขาเคาให้ความเคารพกับพระมากรองเท้าเขาก็ไม่ใส่แต่รองเท้าแล้วถอดแล้วยืนบนรองเท้าก็เหมือนกันไม่ได้ถอดน่ะ บางคนถอดรองเท้าด้วยการยืนบนรองเท้าเพราะว่ากลัวเท้าจะเปื้นนอนหลวงตาท่านเคยด่าท่านว่าเต็นเต็นเปื้อนมันยังล้า ง, ล, างล้างได้นะแต่ใจเปื้อนนี่มันล้างยากนะใจเปื้อนเนี่ยใจใจที่ถือตัวถืออะไรอย่างเงี้ยล้างยากกว่าเพราะฉะนั้นเอี่า yeah. ถ้าเราอยากจะได้บุญเต็มร้อยนั่นก็ถอดรองเท้าเสียเอาเพื่อนในเวลาเดี๋ยวเสร็จใส่บาสิกแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดได้อย่างเราครั้งหนึ่งเราเคยไปบินธบาต ท, ที่อยู่ไปพักอยู่เทมเทพ่ช่วงราแล้วไปบินธบาติมีญาติผู้หญิงคนนึงโยมคนหนึ่งเขาจะไปทํางานแต่ก็จะใส่บาสเขาก็ถอดรองเท้าก่อนแล้วใส่ใสยเสร็จแล้วเขาก็ไปล้างเท้าแล้วเขาก็ใส่รองเท้าใหม่แล้วเขาก็ไปทํางานต่อ คำถามจากคุณพัชราเกิมทำไมเขาถึงเปรียบว่าพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ครับพราะมีพระคุณมากที่สุดเนี่ยกับเราไม่มีใครพระคุณมีพระคุณมากกับเราเท่ากับพ่อกับแม่เราบุญคุณที่ท่านมีกับเรานี่ต่อให้เราใช้ยังไงเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนอกจากเราทําให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบายได้เท่านั้นนะถึงจะใช้บุญคุณได้หมดก็คือทําให้ท่านเป็นพระโสดาบันให้ได้ เมือนพระพุทธเจ้านี้ทําให้แม่เป็นพระสสดามันทําให้พ่อเป็นพระอาหารหันต์อันนี้ถึงจะสามารถทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้แต่ถ้าเราเลี้ยงดูท่านดีขนาดไหนแบกท่านไว้บญบาบุญไหลให้ท่านอุจจาร ะ, ะปัสสวะใส่เราไปจนถึงวันตายบุญคุณที่ท่านมีต่อเราก็ไม่มีวันหมดท่านถึงเป็นพระอาหารหันต์ทำบุญกับพ่อแม่จึงได้บุญเหมือนกับเราได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์ความหมายมอยู่ตรงนั้น ทำมุญกับพ่ออราหันนี่ก็ทําให้เราไปนิพพานได้ทำมุนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดคําเดียวบรรลุเลยมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยไปถึงนิพพานได้เลยคําถามจากคุณแมนหลวงพ่อช่วยอธิบายคําว่าดวงตาเห็นธรรมด้วยครับนี่ก็ไบอกไอเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์เนี่ยเห็นว่าเงินทองเป็นทุกข์อย่าไปหามันไปบวชซนะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นทุกข์เห็นว่า ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆเป็นทุกข์เห็นว่าคำสรรเสริญนี่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเวลาเขาไม่ชมก็ทุกข์แล้วใช่ไหมเวลาก็ด่าเราเราก็ทุกข์ละเวลาเงินทองหมดก็ทุกข์ละเวลาถูกโยกย้ายตำแหน่งก็ทุกข์ลวให้เห็นว่ามันทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงมันชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไป เวลาได้มาก็ดีใจเป็นสุขกันแต่พอเวลาเสียไปก็ร้องหม่มร้องไห้กันเนี่ยเกิดดวงตายเห็นธรรมก็คือให้เห็นทุกข์เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เทีย่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปนี่คือดวงตายเห็นธรรมเห็นใจลักง่ายๆ เห็นนักนิจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้คําถามจากคุณสุพินดาขอรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายคําว่าสัมปันชัญญาให้หน่อยค่ะและแตกต่างกับสติที่ไม่มีสัมปัญชัญญาอย่างไรคะคือสตินี้มันแบบเกิดเกิดดับดับเนี่ยเวลาเราตั้งสติพุโทโธได้สองคำไปละไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็สติก็หายไปละ ถ้ามีสัมปะชัญญะมันจะต่อเนื่องมันจะไม่หายสติที่ต่อเนื่องเราเรียกว่าสัมปะชัญญะสติที่ยังไม่ต่อเนื่องเราเรียกว่าสติคือสติเฉยๆอย่างมหาสตินี่เรียกว่าเป็นสัมปะชัญญะมหาสตินี้มันจะไม่เผลอเลยมันจะมีสติอยู่กับใจตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยคาถามจากคุณนันทิดาตอนเดินจงกรมต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะ ก็แล้วแต่เราต้องการจะทําอะไรถ้าเราต้องการเจริญสติก็พุโทโธพุโทโธไปอยากคิดอะไรหรือดูเท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปข้อสาคัญก็คือไม่ให้คิดนี่เรียกว่าการเดินจงกรมเพื่อเจริญสติแต่ถ้าเราต้องการเดินจงกรมเพื่อเจริญปัญญาเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็ให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรคิดถึงเงินก็คิดว่ามันไม่เที่ยงดูว่ามันเที่ยงหรือเปล่า มันมาอย่างเดียวมันอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าะมันมาแล้วเดี๋ยวใช้ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดละพอหมดแล้วมันสุขหรือมันทุกข์อ่ะมันก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินเราจะทุกข์ไหมนี่ยมาบวชนี่ไม่ต้องใช้เงินเนียทุกวันมีข้าวกินฟรีมีบ้านอยู่ฟรีไม่ต้องทุกข์กับเงินทองไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์มีก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ใช้มันนี่คือพิจารณาไตรักต้องมาพิจารณาให้เห็นว่า มันเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีมันถ้ามีแล้วต้องทุกข์เพราะมันจะต้องเสือ่อมมันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งเรราาาาพิจณะ่ทีงงกํไ ด, ได้ทุกขณะเวลายกเว้นเวลาอยู่ในสมาธิเท่านั้นเองเวลาเวลาจิตนิ่งสงบไม่ต้องการให้พิจารณาต้องการให้สงบนานๆแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วจะจะนั่งพิจารณาต่อก็ได้ เช่นพิจารณาเวทน า, นาที่กำลังเกิดขึ้นตอนนั้นก็ได้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันหายมันไม่หายก็จะทุกข์คำ ถ, ถามจากคุณธั ญ, ญรัตน์ <c oughs> อยากทราบว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับชีวิตประพฤติดีปฏิบัติดีมาตลอดสวดมนต์ไหว้พระทาบุญนั่งสมาธิภาวนา เจอแต่อุปสรรคทั้งด้านการงานการเงินมาตลอดทําให้ท้อแท้ในในชีวิตที่แต่คนมาเอาเปรียบกดโกงโดยเฉพาะญาติต้องทําอย่างไรคะก็ปฏิบัติให้มากขึ้นตอนนี้ยังปฏิบัติน้อยอยู่เลยทําให้หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าปฏิบัติได้เข้มข้นจะไม่หวั่นไหวกับการเบียดเบียนของผู้อื่นจะเทอยว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนฟ้ากัดที่เราไปห้ามไม่ได้ ทำไมเราไม่เดือดร้อนกับฝนฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่กับเรื่องคนอื่นเราคิดว่าเราห้ามเขาได้ความจริงเราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันใช่คนอื่นก็จะทำร้ายเราเขาจะดีกับเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศแล้วก็ไปสั่งเขาไม่ได้แต่ใจเราไม่มองอย่างนั้นเราไม่มองว่าทุกอย่างเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปมองว่าเป็นคน เราไปมองว่าเราต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราทําความดีพอเราไม่ได้เราก็เลยไปโทษการทําความดีคามจีิการทําความดีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการได้อะไรหรือไม่ได้อะไรการทําความดีทําให้ใจเราได้ความสุขได้ความสุขใจได้ปัญญาได้ความรู้ได้ความฉลาดที่จะทําให้เราไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกับชีวิตของเรา เ น, นื้นต่างหาคือเป้าหมายของการทําบุญทําทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อทําให้ใจเรามีความสุขแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกับชีวิตของเราถ้าเรายังหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่าเราทําน้อยยังทําไม่พอถ้าเราทํามากแล้วต่อไปเราจะไม่หวั่นไหวเพราะว่าสิ่งที่มากระทบกับชีวิตเราเราไปห้าม ม, ม, าาาามันไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปห้ามมันไม่ได้ ลมมันพัดอยู่ตอนนี้ไปห้ามไม่ให้มันพัดได้นะก็ออต้องปล่อยให้มันพัดไปแต่เราไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้แต่คนอื่นสิ่งอื่นนี่เรายังไปคิดว่าไปห้ามเขาได้ยังไปคิดว่าการทำความดีของเราจะทำให้เราได้พบแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่หรอกคนดีคนชั่ว ม, มันเจอเหมือนกันหมดนะ่ะเจอทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเอาลนะ้ะ ไม <c oughs> ่เถินนอะไรนี้ค่ ะ, ะไม่ถู ก, ถกหรอกก็เพลงแต่พูดไปเพื่อเหมือนให้เป็นให้คนฟังแล้วเขาเอามีความสุขใจเท่านั้นเองแต่บุญจริงๆต้องต่างใครของใครทํามันทำเขาจะได้ก็ตรงที่เขาอนุมโมทนาชื่นชมกับการทําบุญของเราตอนนเราควรจะพูดยังไงที่จะให้เขาอนุมโมทนาเกไม่ต้องพูดกันได้แล้วได้ก็ถูาไหเรื่องของเขานอกจากเขาถามก็บอกเข้าไปเขาไม่ถามก็ไม่ต้องไปบอกเออเขาจะบอกกันตลอดแต่งบุญให้เถินนะอ่า เขไม่ได้บุญหรอกบุญที่เราทําก็ไม่ได้แหละแต่เขาจะได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาของเขาว่าเอา่อดีใจด้วยเขาก็ดีใจไปกับการทําบุญของเราเท่า น, นั้นเองดีกว่าอิจฉาริษยาอะไร่างเงี้ยเวลาเห็นคนอื่นทำบุญแล้วตัวเองไม่ได้ทําบุญน้อยใจหรืออิจฉาเข้าอย่างเงี้ไม่ดีซื้อมาอนุโมทนายินดีกับเขาดีกว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ไม่ไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจแต่อยากจะได้บุญต้องไปทําเอง ใครทาแทนกันไม่ได้หรอกเอาบุญมาฝากกันไม่ได้เอาแล้วนะที่ว่าพอสมควรแก่เวลาก็าขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อวความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ